เมื่อพูดเป็นวิราคะความสิ้นกำหนัดอันนี้ใ น, นหลักภาษาถ้าหากว่าเอาวิออกก็คื อ, ว, ค ว, คอคว่าความกำหนัดคือราคะแล้วว่าความกำหนัดความยินดีความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสแต่เมื่อมาเป็นวิราคก็คือความสิ้นกำหนัดนี่สิ้นกำหนัดคือไม่หมดกิเลสตัณหาแล้วฉะนั้นดังมีอุเทศว่า อุเทศในข้อที่หนึ่งก็คือนิพพินทางวิรัชชติเมื่อเดือนนายย่อมสิ้นกำหนัดในอุเทศที่สองว่าวิราโกเศธโธธรร ม, มานังวิราคะประเสริฐแห่งธรรมทั้งหลายในอุเทศที่สามว่าสุขาวิราคตาโลเกกามานังสมติกมโมวิราคะคือความก้าวล่วงเสียด้วยดีซึ่งกามทั้งหลาย เป็นสุขในโลกอันนี้ถ้าหากว่าจะอธิบายทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาเมื่อนายย่อมสิ้นกำนักไอ้คําว่าเมื่อนายในที่หมายถึงว่านายในสังขารนายในสังขารนายในวัตถุกางนายในสังขารนายในวัตถุกลาง คนเราท้าหากว่าเบียดนอายในสังขารโดยพิจรณาเห็นว่าอาสังขารเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดและพิจณาว่าสังขารเป็นของไม่สวยไม่งามนี่พิจนาภายนอกเกินภายในก็ให้เรามีสติพิจณากายแลตาสติคือมีสติพิจณาเข้าไปในกาย ให้เห็นว่าภายในร่างกายของเรานี้เป็นภาชนะที่ใส่ของไม่สะอาดเต็มไปด้วยดีเสเลตหนองเลือดอาหารใหม่อาหารเก่าซึ่งเหม็นคาวพะครุ่อทำให้พิจารณาดูโดยท่องแท้แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นที่น่ารักน่าชอบใจเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะทำให้เราเมื่อใดเบื่อหน่ายได้แต่แว่าเราโดยมาก ไม่ค่อยเบื่อหน่ายก็เพราะไม่ได้พิจารณาคือเรามันเบื่อเบื่ออยากอยากเมื่อเราเบืเบื่ออยากอยากกันอยู่อย่างนี้แน่นอนที่สุดมันก็ทําให้เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอาย่เสมอนะทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาดูว่าวิราคะความสิ้นกําหนับความสิ้นกําหนับในข้อที่สองที่บอกว่าวิราโคเศธโธธรร ม, มานังวิราคะประเสริฐแห่งธรรมทั้งหลาย วิราคะสิ้นกำหนัดเป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวงเขาความว่าทรรในที่นี้หมายถึงว่าทรรที่เป็นสังคตะคือหมายถึงว่าทรรอันมีปัจจัยปรุงแต่งทั้งที่เป็นอสังคตะคือที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง เ, เรียกว่ า, าทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างคำว่าวิราคะฉะนั้นวัยวัยพจน์ที่เอเป็นคำสำหรับ สำหรับเรียกแทนชื่อวิราคะมียุคแปดอย่างก็คือหนึ่งมัธนิมมัทนโนทำยังความเมาให้สั่งสองปิปาสวินโยความนำเสียซึ่งความกระหายสามอารยะสมุคคาโตความถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอารัยสวัตตตปเฉโทความเข้าไปตัดเสียซึ่งวัตต์ห้าตันหักขโยความสิ้นแห่งตันหา 6. กวิราโคความสิ้นกาหนัด เจ็ดนิโรโธความดับอาแปดนิพานธรรมชาติหาเครื่องเสียแทงนีไ้ได้อ่าในข้อแรกที่บอกว่ามัธนิมมัทโนทำอยังความเมาให้สั่งอ่าความเมาในที่นี้หมายเอาความเมาในอารมณ์อันยั่วยือนให้เกิดความเมาทุกอย่างอารมณ์ที่ยั่วยือนให้เกิดความเมานั้นท่านแสดงไว้มีสิบเอ็ดประการด้วยกันก็คือหนึ่งเมาในสมบัติแห่งชาติสอง เมาในส ก, กุลสามเมาในอิสริยะความเป็นใหญ่สี่เมาในบริวารสำคัญว่าตนเองนั้นมีบริวารแวดล้อมมากและใครนับถือมากห้าเมาในลาบคือติดลาบหกเมาในยศคือติดยศเจด็ดเมาในสันเรินคือหลงคำสันเรินเยินยอ แปดเมาในสุขก็คือติดความสุขที่บังเกิดมีขับตนเก้าเมาในวัยก็คือสำคัญตัวเองว่ายังเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่เท่าไม่แก่สิบเมาในความหารอกมีได้ถือว่าตัวเองนั้นมีกำลังวังลังชาแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่จริงๆแล้วความมีโรคนั้นมันไม่เกี่ยวกับว่า คนนั้นจะผอมคนนั้นจะอ้วนนะในโรคมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนต่างแต่ว่าสมุดฐานของโรคนั้นใครจะเป็นอะไรแต่เมื่อมันปรากฏขึ้นแล้วไม่เลือกว่าคนอ้วนคนผอมมันก็เกิดขึ้นได้ทางนั้นแล้ววันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่บอกเราว่าวันนั้นอโรคนี้จะเกิดวันนี้โรคโน้นจะเกิดมันก็ไม่บอกนะถึงเขาเกิดมันเกิดขึ้นเองถึงเขาดับมันดับไปเองแล้วข้อสิบเอ็ดก็คือเมาในชีวิตนะ เมาในชีวิตคือเมื่อคนเราเมาในชีวิตก็ทําให้เกิดความประมาทมัวเมาไม่พยายามสแสวงหาคุณงามความดีพวกนี้เกิดมาก็เสียชาติเกิดนี่เกิดมาก็เสียชาติเกิดทีนี้ที่บอกว่าอาทําอันยังความเมาในอารมณ์เหล่านั้นให้สั่งนับเป็นวิราคะความซึ่งกําหนัดในข้อที่สองที่บอกว่าปิปารสุรินโยอความนําเสียซึ่งความสหาย คือหมายถึงว่านำออกเสียซึ่งความกระหายความกระหายหรือความระหายในที่นี้ท่านหมายเอาความกระหระวนกระวไยในเหตุแห่งความอยากเปรียบด้วยอาการแห่งน้าซึ่งนำเสียซึ่งความกระหายคือหมายถึงว่าก็หายในอะไรไอ้ความกระหายในนี้ก็หมายถึงว่าความกระหายในกิเลสตัณหากระหายในกิเลสตัณหาคือมีความ กวนกวายมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาอมีความกระหายในอารมณ์ต่างๆในอารมณ์ต่างๆอันนี้ก็อจัดเข้าเป็นวีรคะนนับเข้าเป็นวีราคะคือหมายถึงว่าหมดความกระหายก็คือไม่ซึ่งความกําหนัดนั่นเองนซึ่งความกําหนัดมาในข้ออที่สามที่บอกว่าอาัยะสมุขาโตความถอนขึ้นโดยดีซึ่งอารัย ความถอนขึ้นเยดยๆซึ่งความอาลัยความอาลายนั้นหมายเอาอความสิบพันอความห่วงใยในปิยารมณ์คืออารมณ์เป็นที่รักการถอนขึ้นเบยดีซึ่งอความอาลายนั้นได้แก่ท่าจิตออกจากอปิยารมอณ์ท่าจิตออกจากปิยารมณ์อารมณ์เป็นที่รักก็คือมีตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรส อสัมผัสเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นอารมณ์ที่น่ารักคนเราโดยมากก็ติดในรูปนะติดในรูปรู ป, ปารมณ์อารมณ์คือรูปที่มากระทบทางตาารูปสวยไม่สวยรูปสวยเราก็เกิดอยากได้เกิดความโลกรูปไม่สวยเราก็เกิดอโทส่สะงไม่อยากได้อยากจะให้มันอหายสาบสูญจากเราไปนี่เราทําใจไม่ได้เราวางใจเป็นกลางไม่ได้ ฉะนั้นนี่แหละเราจึงติดในในปียารมณ์คืออารมณ์เป็นที่นักพูดง่ายๆก็คือว่าอารมณ์มันแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คืออิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนากับอนิธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอารมณ์ในทางที่ดีที่งามาที่สวยอที่เราชอบอนั่นเป็นปิยารมณ์คือเป็นอารมณ์ทีเ่เรารักเราใคร่ แต่อารมณ์ใดที่เราไม่ชอบนั่นเป็นอ น, นิจฐารนลมนะเป็นอนิจฐารนลมหรือเราติดในอเสียงสัท ธ, ธารมณ์อารมณ์คือเสียงนะเสียงเพราะเสียงไม่เพราะเสียงเล็บเสียงแหลมมา น, นี่นี่เราติดกันอันนี้แหละพระพุทธองค์จึงบอกว่าอิทธิสัทธโธวิยะว่าไม่มีเสียงอื่นใดที่จะครอบงําจิตใจบุริสุทธิราวกับว่าเสียงแห่งหญิง เสียงเห็นผู้หญิงเนี้ถือว่าครอบงําจิตใจของบุรุษมากให้สังเกตดูสิบางครั้งในสถานที่ใดถ้าหากมีแต่สุภาพบุรุษหรือมีแต่ผู้ชายอ่ามีแต่พวกผู้ชายก็พูดคุยกันก็ธรรมดาแต่ถ้ามีเสียงสุภาพสตรีเข้ามาผสมแค่นั้นพวกเราจะหยุดกันทันทีหรือไม่งั้นก็จะต้องชังโงอกออกไปเลยทั้งหน้าตา่างเรียกว่าเสียงของสุภาพสตรีนี้มีอิทธิพลที่จะเด่นโดดให้ บรนดาสคือภาพผลนี้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถทันทีหรือต้องหยุดทันทีอ่านี่ก็ถือว่าอเป็นอารมณ์ที่น่ารักอย่างหนึ่งในประการที่สามเป็นก็คือคันธารมอารมณ์คือกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมกลิ่นหอมเป็นอารมณ์ที่น่ารักกลิ่นไม่หอมเป็นอารมณ์ที่ไม่น่ารักฉะนั้นเราทุกคนนี้รู้สึกว่าจะชอบกลิ่นหอมนะถ้ากลิ่นหอมหอมไม่ชอบรลยเต๋อ ด้วยเหตุนี้แหละพวกนายทุนต่างๆจึงได้พยายามผลิตน้ำหอมต่างๆขึ้นมาเพื่อมาขายให้กับพวกเราพวกคนโง่ก็หลงติดในน้ำหอมอันนั้นสรรหากันมาขวดนิดขวดหน่อยขวดเท่านีนก้อยราคาตั้งเจ็ดแดร้อยบาทนี่ซื้อหาเอามากันได้แต่ว่าบางครั้งัวเนียต้องทะเลาะกันตีกันเพราะเรื่องน้ำปลาขวดละสองบาทสบาทซื้อไม่ได้แต่น้าหอมขวดละเจ็ดแดร้อยเราซื้อได้ อ่านี่ก็เพราะว่าเราติดนั่นเองนะอันนี้ก็มีคนพูดเป็นเชิงตำหนิว่าให้สังเกตวา่าคนที่แต่งตัวมากหรือใช้น้ำหอมมากเนี่ยเพราะคนนั้นต้องการจะปิดความเชื่อของตัวเองเมื่อคนนั้นต้องใช้น้ำหอมมากก็แสดงว่าคนนั้นเหม็นมากจึงต้องใช้น้ำหอมมากนี่เขาเอา น, นี้ให้เป็นเครื่องพิสูจน์ดูก็น่าคิดดูเหมือนกันคนไหนที่จะต้องพอกหน้ามากแสดงว่าคนนั้นก็ มีความชั่วมากจะต้องปกปิดความชั่วของตัวเองไว้่สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดน่าพิจารณานมาในอารมณ์ที่สี่ก็คื อ, อรสรสารมณ์คืออารมณ์คือรสที่มากระทบทางลิ้นนทางลิ้นเปรี้ยวหวานมันเค็มถ้าหากว่าเป็นรสที่เราชอบก็เรียกว่าอิทธารมถ้าเป็นรสที่เราไม่ชอบก็เรียกว่าอนิจฐารมและความชอบในรสต่างๆนี้ไม่เหมือนกัน รสอย่างเดียวกันแต่คนห้าคนนี้เมื่อมาทานกันแล้วก็ย่อมจะแตกต่างกันไปบางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ดีเหมือนยังกับยำทูเรียนอย่างนี้บางคนก็อาจจะบอกว่าเหม็นแต่บางคนบอกหอมเนี่ยทั้งๆที่ว่ามันก็กลิ่นเดียวกันบางคนก็ไม่ชอบทานบางคนก็ชอบทานเนี่ยฉะนั้นอันนี้มันก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่บุคคลแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่เราชอบ มันก็ติดในปียารมณ์ไม่ชอบเราก็ติดอีกเหมือนกันคือติดในทางฝ่ายไม่ดีและในอารมณ์สุดท้ายก็คืออผัสสารลมอารมณ์คือผัสจะคือการถูกต้องการสัมผัสอเย็นร้อนอ่อนแข็งอ่าอันนี้ก็ทําให้เราติดอีกเหมือนกันคือคนเหล่านี้บางครั้งแข็งเกินไปเราก็ไม่ชอบอ่อนเกินไปเราก็ไม่ชอบชอบในระหว่างแข็งกับอ่อน ในระหว่างแข็งกับอ่อนมาอะไรก็คือความนุ่มนิ่มนั่นเองนะความนุ่มนิ่มนั่นแหละคือความแข็งกับอ่อนนี่คนเราชอบอย่างนั้นฉะนั้นจึงบอกว่าอาคนเรานี่มันติดอยู่ในอ่าในในติยารมณ์คืออารมณ์เป็นที่รักฉะนั้นเมื่อเรานําอารมณ์เหล่านี้ออกไปได้นะเรานําเรียกว่าปิปาริไนโยความนําออกอความนําออก เสียซึ่งความกระหายอะไรยักษสมุขคาโตความถอนขึ้นดยดีซึ่งความอะไรก็คือไม่อะไรในปิยารมณ์ก็เป็นวิราคะอย่างหนึ่งนะเป็นวิราคะอย่างหนึ่งมาในข้อที่ห้าวั ต, ตเตตเฉโทความเข้าไปตัดเสียซึ่งวัตตะตัาคำว่าวัตตะในที่นี้หมายถึงการเวียนไหวตายเกิดด้วยอำนาจกิเลสกรรมวิบากมีสามอย่างคือหนึ่งกิเลสวัตตวนคือกิเลส อสองกรรมวัตะวนคือกรรมสามิปากวัตะ ว, วนคือวิบากคนเราพอมีกิเลสก็เป็นเหตุให้ทํากรรมอ่าเมื่อทํากรรมก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมถ้าทํากรรมดียังไม่ถึงที่ททสุดยังไม่ได้มรรคผลอิพานก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเอทําทชั่วก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเหมือนกันฉะนั้นวัฏตะนี้จึงทําให้สัตว์ต้อง อาวนเวียนเกิดตายอย่างนี้แล้วแล้วเล่าเล่าไม่รู้จักจบสิ้นกี่ร้อยกี่พศไม่รู้จักจบสิ้นสัตว์ผู้มีกิเลสทํากรรมอย่างใดสิ่งทําทอย่างนั้นจัดว่าเป็นกรรมกรรมนั้นย่อมอํานวยผลความเกิดในภพหน้าเป็นวิบากให้ได้เสวยวิบากอาเข้ากิเลสเกิดขึ้นทํากรรมใหม่อีกวิบากเกิดขึ้นใหม่อีกห ม, มุนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบ แม้เฉพาะในทบเดียวกันก็เวียนอยู่เหมือนกันคือกิเลสเป็นปัจจัยให้ทำำํากรรมกรรมย่ำอมอํานวยวิบากดีหรือชั่วเศวยวิบากเข้ากิเลสน ะ, สะเศรษวิบากเข้ากิเลสย่อมเกิดขึ้นอการเข้าไปตัดเสียซึ่งวัฏะอย่างนี้คือหมายถึงว่าไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกเรียกว่าก็คือตัดตัวกิเลสตัณหานะตัดกรรมว่า ง, งั้นเถอะตัดกรรมเมื่อเราตัดแล้วก็ อ้ล้อแห่งวะะัฏฏะหรือล้อแห่งวะะงัฏฏะสงสารมันก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกก็จจัดเข้าเป็นวิราคะอีกอย่างหนึ่งด้วยมาในข้อที่ห้าอาตันหักขโยความสิ้นแห่งตันหาคาว่าตันหาในที่นี้ก็ได้แก่ความทะเยอทะยานวิ่นรนได้วความอยากมีสามอยา่างคือหนึ่งกามตันหาตันหาในกามอาสองพวตันหาตันหาในภพ สามวิภาวะตัณหาตัณหาปราจะจากภพคือหมายถึงว่า อ, อยากไม่เป็นโน่นเป็นนี่นั่นเองในข้อแรกกรรมมาตัณหาก็คือว่าความอยากในกรรมในกรรมในที่นี้ก็เพ่งเอาในรูปนะในวัตถุกรรมคือรูปเสียงกป็นรถเหมือนกันคือคนเราหลีกไม่พ้นที่จะติดอยู่ในวัตถุกรรมเพราะริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาจับต้องได้ลูกคลำได้เราพอใจฉะนั้นตาเห็นรูปตาเห็นรูปเมื่อตาเห็นรูปรูปนั้นดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้าดีเราก็ชอบดีเราก็ชอบไม่ดีเราก็ไม่ชอบหูฟังเสียงเสียงดีก็ชอบเสียงไม่ดีเราไม่ชอบจมูกรมเกลิ่นกลิ่นดีเราชอบกลิ่นไม่ดีเราไม่ชอบลิ้นลิ้มรส รถดีเราชอบรถไม่ดีเราไม่ชอบกายถูกต้องสัมผัสถ้าหากว่าเราชอบนุ่มนุมนิ่ม น, มนมอ่มมันก็เป็นอิทถารมเราไม่ชอบอย่างนั้นมันก็เป็นอนิถารมเพราะนั้นคนเราเหล็กไม่พ้นที่จะติดอยู่ในรูปเสียงลินรถปฐพา่าจึงนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงได้เรียกว่าเป็นบ่วงแห่งมารเป็นเครื่องร้อยรัดรินจิตใจของมนุษย์ให้ลุ่มหลงให้ติดอยู่จนไม่สามารถที่จะดิ้นรน ให้บ่วงนั้นขาดหรือทำลายไปได้ฉะนั้นตัวตันหักขยโยคือความสิ้นไปแห่งตันหาก็คือไอ้สิ้นการมาตันหานั่นเองประการที่สองสิ้นภาวะตันหาคือหมายถึงว่าภาวะตันหานี่ก็คือว่าความอยากในภพคือคนเราติดติดพบติดชาตินะติดพบติดชาติคําว่าพบนี่หมายถึงว่าที่อยู่นะที่อยู่หรือความมีความเป็นคําว่าพบเนี่ยภาวะเนี่ยแปลว่าความมีความเป็น อคนเราบางครั้งเนี่ยอยู่ในสถานที่ดีดเรามีบ้านห้องหออยู่ดีก็รู้สึกติดไปอยู่ที่ไม่ดีก็รู้สึกจะอึดอัดเกิดบ่นขึ้นไม่พอใจเราอยู่ในห้องแอร์ก็รู้สึ ก, กมันสบายถ้าเราไปสถานที่ใดไม่มีห้องแอร์เราก็รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจออันนี้เขาเรียกว่าติดภพนะติดภพติดชาติออันนี้ก็ทําให้ตับตัวเข้ากับสังคมลําบากอหรือว่าอยากมีอยากเป็น อยากมีอยู่เรื่อยนะอยากมีอยู่เรื่อยไออยากมีอย่างนี้ยิ่งมียิ่งจนนะแต่ว่าถ้าอยากมีด้วยการขยันหรือจะแสวงหาทรัพสมบัติสิ่งของต่างๆด้วยทางสุจริตอันนั้นทำ ย, ยิ่งอยากก็ยิ่งรวยหรือว่าอยากมีคุณธรรมก็มันแสวงหาปฏิบัติธรรมขยันปฏิบัติธรรมอันนี้ยิ่งทำก็ยิ่งรวย แต่ความว่าอยากมีอยากเป็นเนยิ่งอยากมากก็ยิ่งจนยิ่งจนมากเพิอยากมีอยู่เรื่อยอยากมีอผู้ที่เป็นพระสงฆ์องค์เลนก็อยากจะออกไปมีภรรยาออยากมีทรัพย์สมบัติอยากมีรถเก๋งอยากมีบ้านอยากมีนาอยากมีสวนอยากมีทรัพย์นี่ไอคนที่เขาไม่มีครอบครัวแล้วเขาก็บอกว่ามันลําบากอเขาก็อยากมีอย่างพระบ้างนะ อยากจะบวชอย่างพระบ้างอยากจะได้ปฏิบัติทำรู้สึกสบายนเะนี่ยมันสวนกันนะคนที่มีครอบครัวแ ล, ล้วก็าการมีครอบครัวลําบากมีเครื่องผูกพันฑ์มีห่วงมากมายทําให้ทําอะไรไม่ค่อยสะดวกไม่อิสระอนะส่วนใ้คนที่ยังไม่มีครอบครัวก็อยากจะมีคิดว่าการมีภรรยาสามีเนี่่เป็นทางแห่งความสุขมีคู่มีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะก็คิดกันไว้อย่างนั้น เข้ากับตำราที่โบราณเราว่านะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านี่ไอความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ต่างคนต่างสรุปแล้วว่าต่างคนต่างก็โง่กันทางนั้นนะต่างโง่กันทางนั้นคือมีแต่อยากนะมีแต่อยากที่นั่ไอตัวอยากนี่แหละมันจึงเป็นทุกข์มากเขาบอกว่าทุกจะมีเพราะยึดทุกจะยืดเพราะพอยทุกจะน้อยก็พอาะลดทุกจะหมดก็พอละนี่แต่ทีนี้เรามันไม่รู้จักลดกันนะมันอยากอยู่เรื่อย อยากอยู่เรื่อยทะเลเนี่ยนะมันลวาน้ํามีมากแต่มันก็ยังมีพร่องบ้างมันยังมีขึ้นมีลงบ้างแต่ไอความอยากของเรานี่แมแล้วมันขึ้นจะลูกเดียวนะได้แล้วแทนที่ว่ามันจะสมอยากมันจะพอที่ไหนได้มันยิ่งอยากต้องการมากขึ้นอีกนี่แหละจึงบอกว่านัตติตันหาสมาณทีแม่น้ําเสมอด้วยตันหาไม่มีคือหมายถึงว่าไอตันหาเนี่ยมันมีทางที่จะมากพอกพูนขึ้นเรื่อย แม่น้ำยังมีวันล็อกบ้างมีวันแห้งบ้างแต่ว่าตัณหาไม่แห้งเลยมีแต่จะมากขึ้นด้วยฉะนั้นจึงบอกว่าเราจึงอยากกันอยู่เรื่อยม่อยากในข้อที่สามวิภาวะตัณหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นให้คาว่าอยากไม่มีอยากไม่เป็นมันหมายความไม่ไม่หมายถึงว่าไม่อยากอะไรเลยนะคืออันนี้อยากแต่ว่าเมื่อพอมีนานเข้าเกิดเดือนะอยากนีเมีย พอมีแล้วก็รู้สึกว่านานมันเหลือจําเป็นอยากไปมีคนอื่นใหม่อีกนี่นี่ไอ้นี่ก็อยากไม่มีนะอยากไม่มีอ่าพอมีเมียเราก็อยากมีลูกพอมีลูกนะครับไม่ลูกมันเบื่อมัหลายคนก็รู้สึกว่ามันลําบากมีปัญหาอไม่อยากมีอีกแล้วนี่แต่อยากไปมีเลูกกับคนอื่นอีกนี่มันเป็นอย่างนี้มันก็ย่างว่าอะไมันก็เท่ากับว่าสร้างภพสร้างชาติมากขึ้นสร้างห่วงมากขึ้นมันก็เลยโดยเหนื่อยอยากๆกันอยู่อย่างนี้ แต่ว่าเมื่อใครสามารถที่จะตัดกา ร, รมตัณหาได้ภาะวะตัณหาได้วิภาวะตัณหาได้คนนั้นก็เรียกว่าตันหักขะโยคือความสิ้นไปแห่งตัณหาก็จัดเป็นวิราคะอีกอย่างหนึ่งนะเป็นวิราคะอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอกา ร, รมตัณหาได้แก่ความอยากอันมีอาการที่แสหากา ร, รมารมณ์ภาวะตัณหาได้แก่ความอยากที่มีอาการลิ้นรลมไปในภพ วิภาละตัณหาได้แก่ความอยากอันมีอาการตายเพื่อพ้นจากพบอ่าพ้นจากพบอันนี้ในกุตตะวัตถุวิพังประกอบท่านแก้ว่าภาวะตัณหาได้แก่ราคะอ่าที่อ่สาสลหคตด้วยภาวะทิฏฐิอวิภาวะตัณหาได้แก่ราคะสละหคตด้วยอุเฉทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งจํากัดลงเฉพาะารูปะพบและารูปะพบเสื่อมกามะพ จัดเข้าในการมตัญหาตัญหาสามนี้ท่านก็ได้แจกไว้ในในเทศแห่งทุกขสมุทัยแต่ว่าในบาลีอื่นนั้นท่านแสดงตัญหาเนื่องด้วยอาชนะภายนอกขบมีเรื่องเป็นต้นแต่ละอย่างละอย่างดูเหมือนจํากัดเพียงการมตัญหาด้วยว่าเป็นไปเฉพาะในปิยารมณ์เท่านั้นการละตัญหาได้จึงนับว่าเป็นวิราคะด้วย วิราโคนะวิราโคในข้อต่อไปก็คื อ, อวิราโคหมายเอาความตรงกันข้ามกับาราคะได้แก่ความสิ้นกำหนัดคือปราจะจากความเสน่หาเอื้ออารย์สามารถจะฟอกจิตจากน้ําย้อมคือตัวกิเลสครามได้นะมาในข้อต่อไปก็คือตัวนิโรธหรือนิโรโทแรีย ว, ว่าความดับหมายเอาความดับแห่งธรรมมีเหตุเป็นแดนเกิด ในอในที่นี้ท่านได้ยกตัวอย่างว่าแต่สันจะโยนิโรโทพรตะตถาคตตัดความดับแ่งธรรมเหล่านั้นด้วยยางจินจิตสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมังสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดามีความดับเป็นธรรมดาฉะนั้น นิโรธในที่นี้หมายเอาความดับทุกข์อันเนื่องมาจากดับตัวตัณหาโดยในนี้การดับแห่งตัณหาด้วยอาหารําหนดนี้ได้เลยว่าไม่หลงเหลืออยู่นะมีดับการมีการดับแห่งเจตสิกทุกข์เป็นผลนะับเป็นวิราคะด้วยนะแล้วก็ในตัววิราคะอันกล่าวในลำดับแห่งมิพิทาท่านว่าได้แก่อริยมรนะ อิราคะเนี่ยอเป็นอริยมรรคถ้าพูดถึงในลำดับแห่งนิพพาอ่าเป็นอริยมรรคเป็นอริยมรรคแต่ว่าอีราคะถ้ามาในธทำอื่นคือหมายถึงว่าถ้ากล่าวถึงนิตรพานโดยความเป็นไวยพลดแห่งกันและกันอแต่อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติหัดจิตไปตามแนวธรรมทั้งหลายแล้วย่อมจัดเป็น อันปฏิบัติโดยปรมาติปิปทาคือย่อมจากอํานวยผลให้แล้วก็ประสบที่สุดคือถึงมือมุดหลุดพ้นจากอสวกิเลตทั้งหลายแต่อย่าลืมว่าจะต้องมีโยนิโตมณสิการด้วยนะจะต้องมีโยนิโตมณติการอันนี้ลถือว่าเป็นสิ่งที่ที่เราควระจะพิพจารณากันทีนี้ถ้าจะมีปัญหาถามว่า มีปัญหาถามว่าวิราคะเป็นอริยมรรคหรืออริยผลจงวิจารณให้มีหลักอันนี้เราก็ตอบว่าวิราคะเป็นได้ทั้งอริยมรรคเป็นทั้งได้อริยผลคือถ้าวิราคะมาในลำดับแห่งมิปิทาหรือมาคู่กับอิมุติเป็นอริยมรรคเช่นในบาลีว่านิพินทางวีรัชติเมื่อนายย่อมติ้นกำหนด วิราคาวิมุตติเพราะสิ้นกำหนัดย่ำหลุดพ้นะเพราะสิ้นกำหนัดย่ำหลุดพ้นถ้าวิราคามาตามลำพังเป็นอริยผลเช่นในบาลีว่าวิราโคเสถโธธรรมานังวิราคาจะเสดแห่งธรรมทั้งหลายหรือถ้าจะถามว่าคำว่าวิราคา ที่เป็นนามตรงได้แก่อะไรก็ราคะนั้นมีเท่าไรถ้าบุคคลชั้นไหนจึงจะละได้ขาดอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่านามตรงของวิราคะได้แก่ความสิ้นกำหนัดปราศจากสเสน่หาของจิตที่หมดจดด้วยอริยมรรคและความหมายตรงกันข้ามกับวิราคะราคะนั้นพระอนาคามีละได้ เรืองโรปราคะกับอโรปราคาพระยมุคลชั้นพะอรหรันต์เจงจะละได้เจงจะละได้นี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของอวิราคะฉะนั้นเมื่อถ้าจะให้สรุปรย่อดๆเกี่ยวกับเรื่องอวิราคะานักเรียนนักศึกษาทั้งหลายก็จะต้องทำความเข้าใจว่า ถ้าเขาถามว่าวิราค่ะเป็นอริยมรรคหรืออริยผลอันนี้เราจะต้องตอบให้มีหลักนะถ้ามาในลำดับแห่งนิพิทาแล้วก็เป็นอริยมรรคอ่าเป็นอริยมรรคหรือว่ามาคู่กับปีมุตอ่าก็เป็นอริยมรรคเอ ก, เ, อ ก, เ, อกเหมือนกันอ่าแต่ว่าถ้ามาตามลำพังแล้วก็เป็นอริยผลนะอันนี้เราจะต้องตอบให้มีหลักเพราะว่าการตอบที่อิงหลักนั้นแน่นอนที่สุดก็ จะนำมาซึ่งการสอบได้นะนามาซึ่งการสอบได้แต่ถ้าตอบปาอเจากหลักแล้วก็จะทำให้เรานั้นอาจจะต้องเสียใจไปอีกปีหนึ่งก็ได้ฉะนั้นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเวลาค้ามาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอจเจริญพร วันนี้จะพูดในหัวข้อว่าวิมุตติความหลุดพ้นอาวิมุตติหรือเราจะพูดว่าวิมุตติเนี่ยแปลว่าความหลุดพ้นนะความหลุดพ้นอันนี้ก็มีอุเทศคําว่าวิราคาวิมุตติเพราะสิ้นกําหนังย่อมหลุดพ้นในอุเทศข้อที่สองว่ากามาสวาปิจิ ต, ตังวิมุตติทัก ภวาสวาปิจิตตังวิมุตติจิตถะอวิชชาสวาปิจิตตังวิมุตติจิตถะจิตหลุดพ้นแล้วแม้อาสวะเนื่องด้วยกามจิตหลุดพ้นแล้วแม้จากอาสวะเนื่องด้วยภพจิตหลุดพ้นแล้วแม้จากอาสวะเนื่องด้วยอวิชชาในอุเทศข้อที่สามว่าวิมุตตสมิงวิมุตตะมีติยานังโหติเมื่อหลุดพ้นแล้วยานว่า หลุดพ้นย่อมมีทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงอคําคว่าอาวิมุตต์คือความหลุดพ้นนคือความหลุดพ้นก็จะมีปัญหาว่าอะไรหลุดพ้นแล้วก็หลุดพ้นจากอะไรนอะไรหลุดพ้นแล้วก็หลุดพ้นจากอะไรไอ้พวกเรามันหลุดเหมือนกันแต่มันไม่พ้นหลุดเหมือนกันแต่ไม่พ้น หลุดอันนี้แต่ไปติดอันโน้นหลุดอันโน้นแต่มาติดอันนี้นี่มันก็เลยติดหลายติดนะหลุดหลายหลดุดมันก็กลายเป็นอุตตรลดไปนะว่ากันอุตรลดไปเลยทีนี้ถ้าเราดูในบาลีนะที่ท่านแก้ไว้อในในที่สองรู้สึกว่าแก้ไว้อย่างแจ่มแจ้งคือจิตนั่นแหละตัวหลุดพ้นนะจิตนั่นแหละตัวหลุดพ้น แล้วก็ถามว่าหลุดพ้นจากอะไรก็หลุดพ้นจากอาสวะหลุดพ้นจากอาสวะอันนี้ก็มีบาลีรับรองไว้ว่าอาสวหฮิจิตตานิวิมุตจริงสุจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายาจากอาสวะทั้งหลายทีนี้ก็มีปัญหาอีกว่าอะไรคืออาสวะนะอะไรคืออาสวะนี่ คำว่าอาสวะนี่แปลว่าเครื่องหมักดองนะเครื่องหมักดองอาสวะหรือเครื่องเศร้าหมองก็ได้หรือจะพูดอีกในหนึ่งพูดเป็นธรรมะสหน่อยก็เรียกว่ากิเลสานุใสคือกิเลสอันนอนตามคือดองอยู่หมักอยู่ในจิตสันดานได้แก่กิเลสเป็นเจ้าเรือนนะอันนี้ในในบาลีเรียกว่าอาสวะ ในอัตกถาเรียกว่ากิเลสโดยมากมเรียกว่าต่างกันทีนี้คำว่าอาสวะนี่แปลว่า <c oughs> เครื่องหมักดองบางทีก็ยังไปใช้กับอาวัตถุสิ่งของต่างๆก็มีอย่างเช่นผลไม้ดองก็เรียกว่าพลาสวอนี่เรียกว่าผลไม้ดอง กามมาสโวกิเลสเป็นเหตุไข้หรืออาสวะเป็นเหตุไข้หรือถ้าดอกไม้ดองก็กุบผาสโวะนะดอกไม้ดองเช่นว่าดอกกลมหรือพวกอดอกตันเซียนอะไรเนี่ยที่เราเอามากินเนี่ยอร่อยดีนักนะนี่แหละเรียกว่าพวกเนี้ยเป็นของดองในของดองใี่มันทาให้เกิดความมึนเมาอาสวะนี่จึงเป็นชื่อของเมรัยชนิดหนึ่งนะไในเมรัยนีหน่หมายถึงเครื่องหมักดองนะ สุรานี่หมายถึงว่าแปล ว, ว่ากลั่นในะเครื่องกลั่นแต่เมไรหมายถึงหมักดองหมักดองให้เกิดความบูดเนา่านะให้เกิดมันจึงมีตัวยีดขึ้นเนี่ยนี่แล้วก็ทําให้เกิดความมึนเมาฉะนั้นในของที่เราติดไอของหมักดองเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีวิตามินอะไรหรอกนะมันไม่ได้มีวิตามินมากอะไรเราไปติดรดมันเองนะติดรดมันเองฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกัน พวกอาสวะต่างๆนะเราก็ไปติดมันนะไปติดมันจริงๆแล้วมันไม่ได้วิคุณอะไรหรอกนะมีแต่โทษสิ่งนี้นนะมีแต่โทษฉะนั้นจึงบอกว่ากามมาสวากิเลสเป็นเหตุไข้หรือกิเลสเนื่องด้วยกรมจึงจึงทำความเข้าใจว่ากิเลสสานุสสยนั้นก็คือกิเลสอันนอนตามหมักดองอยู่หมักหมมอยู่ในจิตสันดาน ได้แก่กิเลสเป็นเจ้าเรือนเป็นอาสวะอันนี้ท่านแบ่งออกเป็นสามอย่างนะหนึ่งกามาสวะอาสวะคือกามอาสวะคือกามกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหมดนี้เรียกว่าวัตถุกามนะคนเราก็ติดอยู่กันแค่นี้นะพูด ที่อยางที่ยางก็มาติดกันอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสเลกไม่พน้นนะแล้วแต่ว่าใครจะติดมากติดน้อยคนที่ไม่ติดได้นั่นแหละประเสริฐนะประเสริฐ จ, จริงๆแล้วก็ละกามได้จริงๆก็ต้องพระอนาคามีมะนะพระโสดาบันก็ยังละกามไม่ได้อ่าพระสกะทาคามีก็เพียงแต่ทํากามให้เบาบางแค่นั้นก็ยังละไม่ได้แต่ต้องพระ อริยบุคคลชั้นที่สามนะชั้นที่สามคือพระอนาคามีมักงจึงจะละได้นี่ฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายมาในข้อที่สองอาภาวะสวะอาสวะคือพบนะอาสวะคือพบคือการที่เราติดพบติดชาติติดที่อยู่ติดที่อาศัยนะติดที่อาศัยติดการกิน ติดรูปติดเสียงติดเปลี่นติดรถอะไรเรื่องนี้อย่างนี้แหละถือว่าอ่วาะวะสภาวะหมายถึงว่าอาสะวะคือพบไอ้คาว่าพบหรือภาวาภาวะตรงนี้แปลว่ามีก็ได้แปลว่าเป็นก็ได้อาสะวะคือความอยากมีอยากเป็นเนี่ย อ, อาสะวะคือการติดอยู่ในพบไอ้คาว่าพบเปนหมายถึงที่อยู่ติดที่อยู่ที่อยู่ดีดีที่อยู่สวยๆงามงา นุ่มๆนิ่มๆเย็นๆแล้วก็เราเพาะเราชอบแต่ถ้ามันร้อนเราก็ไม่ชอบมันแข็งเราก็ไม่ชอบพวกพวกพังๆเราก็ไม่ชอบนี่แหละเราเราติดเราติดที่อยู่ไม่อยากจะจากที่นั้นไปอือในข้อที่สามอวิชชาสวาอาสวะคืออวิชชาคําว่าอาวิชชานี่ที่เรารู้ด้วยบาคือความโง่ะนะความโง่ ไอ้ตัวง้อตัวนี้หมายถึงว่าตัวรู้ไม่จริงนะรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ในตัววิชาไอ้ที่บัณฑิตเขาให้รู้เราไม่รู้ไอ้ที่เขาไม่ให้รู้เราอยากรู้นี่เขาเรียกว่าตัวอวิชชาสวะอาสวะคือความไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้นะไปรู้ไอสิ่งที่ไม่ควรรู้นี่นะฉะนั้นเมื่อจะสรุปสั้นๆอย่างหนึ่งก็คือว่าการ ม, มาสวะได้แก่การ ม, มาตัณหา ภวาสะวะได้แก่ภวะตัณหาแต่อวิชชาสะวะคืออวิชชาความไม่รู้แจ้งคือความเขา่าจิตหลุดพ้นจากอาสะวะทั้งสามดังกล่าวแล้วจะเรียกว่าหลุดพ้นจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะก็ได้เพราะว่าราคะความกำหนัดก็คือการมาสะวะภวาสะวะนั่นเองส่วนในโทสะนั้นเป็นสภาพที่เกิดจากราคะเป็นมูลเหตุเพราะกำหนัด จึงเป็นเหตุให้ขัดเคืองเพราะขัดเคืองจึงเป็นเหตุให้ขัดข้องเพราะขัดข้องจึงเป็นเหตุให้เกิดความาคุณแค้นนะเพราะคุนแค้นจึงเป็นเหตุให้เกิดความไม่เกรงขามนะไม่เกรงขามเมื่อมีเพราะไม่เกรงขามจึงต้องเกิดการคุกขาม เมื่อเกิดการคุกคามบางครั้งเราก็เลยต้องเข้าคุกนี่มันเป็นอย่างนั้นก็เลยต้องเข้าคุกนะฉะนั้นตัวนี้แเราถือว่าเป็นสิ่งสําคัญตัวมุ่งร้ายตัวล้างผลาญส่วนโมหะคือความหลงก็ได้แก่อวิชานั่นเองอาการแห่งโมหะที่เนื่องมาจากวิชาคือความไม่รู้สภาพที่ไม่รู้อเช่นเชื่อ ว, ว่า มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างการ อ, อ้อนวอนบวงสรวงเหล่านี้เป็นต้นหรือเป็นประเภทที่พวกที่ว่าติดหมอดูผีเจ้าเข้าทรง น, นี่พวกนี้เรียกว่าถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามาจากพระเจ้าดนบันดาลจะทำอะไรจะสร้างบ้านจะแต่งงานจะอะไรก็ต้องดูเลิกดูยามอันนี้พระพุทธองค์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความพร้อมเพรอะเมื่อไรก็ พร้อมเช้าก็เลิกดีตอนเช้าพร้อมสายก็เลิกดีตอนสายพร้อมบ่ายก็เลิกดีตอนบ่ายพร้อมเย็นก็เลิกดีตอนเย็นพร้อมกลางคืนก็เลิกดีตอนกลางคืนนี่แต่พวกเรามันไม่อย่างนั้นาบางครั้งเนี่ยเราต้องมาเสียเว ล, เวลา<ๆ>ก็เพราะเรื่องหมอดูนะเรื่องหมอดูบางครั้งเราพร้อมแล้วจะแต่งงานกันเดือนหนะ้าหมอดูบอกไม่ได้ต้องไปแต่งปีหนะ้าเอาพอดีเงินทองหมดหรือมิฉะนั้นก็แตค่คอกันแล้ว นี่ไม่ได้แต่งกันก็เพราะหมอดูนี่หรือบางครั้งจะปลูกบ้านจักหลังเก็บเงินไว้ห้าแสนบาทบอกยังปลูกปีนี้ไม่ได้ต้องปลูกปีหน้าเอาพอดีเงินหมดหรือแม่ ง, งันก็โจนผู้ร้ายปล้นเอาไปหมดหรือไปใช้อย่างอื่นหมดนี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าหากว่าเราดำเนินตามวิถีทางที่พระพุทธองค์ได้ตรัสบอกไว้เราก็จะไม่ประสบความทุกข์เราจะมีแต่ความสุขนะมีแต่ความสุขฝ่ายเดียว ฉนั้นที่พูดมานี่ก็เป็นเรื่องของตัวโมหะคนมีโมหะเป็นคนเชื่อง่ายเป็นคนหูเบาเป็นคนอกตันยูนะนี่ฉะนั้นการถือสิ่งศักศิ์สิทธิ์หรือว่าพวกพระเจ้านี่ก็จัดเข้าอยู่ในอวิชชาทั้งนั้นนะอวิชชานี่ก็มาถึงอวิมุตติอวิมุตติความหลุดพ้น นะความหลุดพ้นถ้ามาตามลำดับแห่งวิราคะดังในบาลีกระทูที่หนะึ่งท่านว่าได้แก่อริยผลส่วนวิมุตใ 2, นะิในบาลีกระทูที่สองในบาลีกระทูที่สองกระทูที่หนึ่งก็คือวิราคาวิมุตจตนะิเพราะสิ้นกำนัดจะหลุดพ้นกระทูที่สองก็กามาสวาปิจิตตังวิมุตจิจิตถะราว่าสวาปิจิตตังวิมุตจิจิตถะอาวิชาสวาปิจิตตังวิมุตจิจิตถนะนี่ บาลีกระทูที่สองท่านแสดงในลำดับแห่งการรู้อริยสัจสี่ได้แก่อริยมรรควิมุตต์อันมาในบาลีกระทูที่ที่สามนั้นแสดงยานที่สืบมาจากวิมุตต์เรียกในบาลีอื่นว่าวิมุตติยาณทัทสนะคือความรู้ความเห็นในการที่จิตหลุดพ้นจากอสุวะนะจิตหลุดพ้นจากอสุว ะ, ะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาวิมุตต์ในบาลีเนี่ย ท่านแบ่งไว้เป็นสองนะแบ่งไว้เป็นสองคือวิมุตติอย่างหนึ่งหรือเรียกว่าวิมุตติเนะี่ยอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือวิมุตติญาณทัศนะวิมุติทั้งสองประเภทนี้อ่าวิมุตติในบาลีว่าวิราคาวิมุตติอนะเมื่อสิ้นกำหนัดย่อมหลุดทน้นอันนี้ก็หมายถึงวิมุตติที่เป็นกิจแห่งกิจเบื้องต้นนะส่วนวิมุตติญาณทัศนะ ในบาลีที่ว่าวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญาณังโหติเมื่อเมื่อหลุดพ้นแล้วญาณว่าหลุดพ้นย่อมมีอันนี้ก็หมายเอาวิมุตอิอที่เป็นกิจแห่งปัญญาในเบื้องปลายนะที่เป็นกิจแห่งปัญญาหมายถึงว่าทําหน้าที่ในการตัดกิเลสตัณหานะเกิดสติปัญญารู้เท่าทันสว่างสวันะฉะนั้น ถ้ามาพูดโดยในนี้แล้วก็จะกล่าวได้ว่าเมื่อวิราคะไม่ได้กล่าวถึงวิมุติเมื่อพูดถึงวิราคะไม่ได้กล่าวถึงวิมุติและวิมุตติยานทัทสนะถ้ามาพร้อมกันวิมุติได้แก่อริยมรรควิมุตติยานทัทสนะได้แก่อริยผลถ้ามีมาเฉพาะวิมุติบทเดียว เป็นได้ทั้งอร ok, ิยมรรคอริยผลนพูดง่ายๆคือวิมุตธมาคู่กันวิมุตธมาคู่กันวิมุตติเนี่ยเป็นอริยมรรควิมุตติญาณทัศนะเป็นอริยผลนี่ให้ทำความเข้าใจง่ายๆแต่ถ้ามาบทเดียวลอยๆเป็นได้ทั้งอริยมรรคเป็นได้ทั้งอริยผลเป็นได้ทั้งอริยมรรคเป็นได้ทั้งอริยผล ในวิมุตก็มีอีกสองนะวิมุตก็มีอีกสองในบาหลีก็คืออาเจโตวิมุตหลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งใจและปัญญาวิมุตหลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งปัญญานะแต่ในวิมุตสองอย่างนี้เจโตวิมุตได้แก่ปฏิปทาของพระอาหารหันต์ผู้สําเร็จอเยมักด้วยการบําเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาโดยลําดับ อาส่วนปัญญาวีมุตได้แก่ปฏิปทาแห่งพระหรหันผู้สําเร็จอริมักด้วยลําพังเจริญวิปัสนาอย่างเดียวด้วยลําพังวิปัสนาอย่างเดียวในเจโตมุตกับปัญญาวีมุตนี้อยากจะถามว่าอันไหนมีความยิ่งใหญ่และก็เจริญรุ่งเรืองมากกว่ากันอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าเจโตวมุตมีความยิ่งใหญ่กว่ามีความเจริญรุ่งเรืองกว่าก็เพราะว่าเจโตวมุตนั้นจะต้องเจริญทั้งสมถะและวีปัสนา จนแตกฉานในปริสัมพิธาสีส่วนปัญญาวิมุตินั้นก็เจริญอาวิปัสนาอย่างเดียวนะเจริญวิปัสนาอย่างเดียวทีนี้ถ้าจะอธิบายต่อไปว่าอาวิมุตินั้นตามความเข้าใจก็เรียกว่าเป็นโลกุตระแต่ที่เป็นโลกิยะก็มีนะที่เป็นโลกิยะก็มีคือที่เป็นโลกิยะก็ อันนี้ก็ได้แก่วิมุติในอัตถกาถนะะาวิมุติในอัตถกถาวิมุติในอัตถกถามีห้าอย่างคือหนึ่งตะทังเข้าวิมุติความหลุดพ้นอาด้วยองค์นั้นๆสองวิขมปนะวิมุติความหลุดพ้นด้วยการข่มไว้ 3. สามสมุติเฉทวิมุติความหลุดพ้นด้วยการตัดอย่างเด็ดขาดสี่ปฏิปัติสัทธิวิมุติความหลุดพ้นด้วยการสงบราบห้านิสรณวิมุติความหลุดพ้นด้วยการออกไปเสีย ตาทั้งเขาวิมุตต์ความหลุดพ้นด้วยองค์นั้นๆได้แก่การระ ง, งับอกุศลเจตสิกได้เป็นคราวๆวิคมพนาวิมุตต์คือหลุดพ้นได้โดยการข่มไว้นะสะกดไว้นะได้แก่กา ร, รสงบระ ง, งับจากกิเลสกรรมหรือวัตถุกรรมและอกุสนธรรมที่และอกุสนธรรมด้วยกําลังแห่งฌานนะด้วยกําลังแห่งฌานวิมุตต์สอง ข้อข้างต้นหมายถึงแต่ทางทวิมุติและวิคัมปนวิมุตนี้อเป็นโลกิยะนาเป็นโลกิย ะ, า, ยะาส่วนสมุทเฉทวิมุตความหลุดพ้นด้วยการตัดขาดอาหมายถึงว่าขาดจากรากเงาคือกิเลสนด้วยอริยมรรตปฏิปัติสัตว์ทวิมุติความหลุดพ้นด้วยการสงบราบคาบได้แก่อริยผลนิจระนาวิมุติความหลุดพ้นด้วยการออกไปนั้นได้แก่นิพพาน อมีวิมุตสามอย่างนะในแก่นิพานวิมุตสามอย่างข้างข้างท้ายนี้เป็นโลกุตระนะเป็นโลกุตระทีนี้การบัญญัติเอาวิมุตห้าแต่ละข้อนั้นมีความมุ่งหมายอย่างไรอาตทางเขาวิมุตนั้นอ่ะการบัญญัติอาตทางเขาวิมุติคือหมายถึงว่าการหลุดพ้นได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะชั่วครั้งชั่วคราวเช่นบางครั้งเนี่ย ยังเราเดินไปด้วยจิตเศร้าหมองในพอได้ยินเสียงอพระเคาะระฆังในหมารู้สึกว่าใจมันก็นึกถึงบุญถึงกุศล น, นึกถึงพระกําลังทําวัดบางคนเนี่ยคิดจะไปฆ่าคนเนียวกายปืนแล้วได้ยินเสียงพระเคาะระฆังแค่นั้นละเปลี่ยนใจทันทีเลยเนะนกปืนอ่อนทันทีเพราะนั่นนึกถึงว่าเรากําลังจะทําบาปแล้วนะเสียงะระฆังเตือน เ, นเสียงะระฆังหังเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลวแหล่ชะงัยหาอืม จึงลดกายออกจากมือลงมา อ, อเพราะคิดว่านั่นมันเป็นบาปจึงไม่ทํานี่ฉะนั้นอันนี้แหละก็เรียกว่าจัดทางเขาวิมุตติว่าเราพ้นได้ชั่วคราวนะบางครั้งเราก็ออยากทาําบุญสุนทานอะไรเนะให้มันจิตมันปลอดโปร่งนะไปช่วครู่ช่วยยามนะไปช่วครู่ช่วยยามอืมอันนี้ก็อวิมุตติของผู้ที่ ไม่ใช่พระเสขะแล้วก็ไม่ใช่พระอาเสขะพูดง่ายๆก็คือว่าอในวิมุตต์ทั้งสองเนี่ยในทางเขาใหมุตต์ก็ดีวิคัมวินาวิคัมวนาวิมุตต์ก็ดีเป็นวิมุตต์ของปุถุชนนะพูดง่ายๆเป็นวิมุตต์ของปุถุชนอส่วนการบัญญัติวิคัมวนาวิมุตต์ก็เรียกว่าก็เป็นเป็นวิมุตต์ของปุถุชนอีกเหมือนกันอเรียกว่า เจโตวิมุตต์ก็เป็นอัที่เป็นอสวะก็มีจริงๆแล้วเจโตวิมุตต์ที่เป็นอสวะก็มีแต่อันนั้นหมายถึงในเบื้องต้นวิคัมปนาวิมุตต์ก็เหมือนกันส่วนการบัญญัติสมุดเฉทวิมุตต์และปฏิปัติสัทธิวิมุตตนั้นสันนิษฐานว่าวิมุตต์เป็นได้ทั้งอริยมรรคทั้งอริยผลนการบัญญัตินิสรณะวิมุตต์ยังไม่เห็นมีเกณฑ์อะไรนอกทําให้เป็นปะทะปุรณะคือเพิ่มให้เต็มจํานวนโลกุตระธรรมสามเท่านั้น ดันั้นในวิมุตตายตนะสูตรในปัญจากานิบาตอังคุตระนิการพระพุทธ ม, มีประภาคเจ้าทรงแสดงวิมุตตายตนะอะคือแดนแห่งวิมุติไว้ห้าอย่างนะแดนแห่งเรียกว่าแดนแห่งวิมุติไว้ห้าอย่างคือหนึ่งการฟังธรรมสองการแสดงธรรมสามการสาธยายธรรมสี่การตรึตรองอเพ่งพิ จ, จารณธรรมห้าการทํากรรมฐาน ทั้งหมดนี้เราก็จะทําให้มีจิตหลุดพ้นได้เรียกว่าหลุดพ้นเป็นขั้ น, นตอนตั้งแต่แตทังงะวิมุตวิขำพนาวิมุตสมุเทเฉทวิมุตปฏิปัติสัิวิมุตนิสัยอนาวิมุตก็แล้วแต่การปฏิบัตินั้นจะามากน้อยอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องของวิมุตนะแต่เป็นเพียงย่อยๆเป็นเพียงย่อยๆทีนี้ถ้าจะมีคาถามว่า วิมุตตมีกี่ประเภทวิมุตตมีประเภทต่างกันอย่างไรบ้างาเราก็ตอบเลยว่าเจโตวิมุตต์ได้แก่ปฏิปทาของพระหันผู้สำเร็จอริยผลด้วยการบรรเป็นสมถะและวิปัสสนาโดยลำดับปัญญาวิมุตต์ได้แก่ปฏิปทาแห่งพระหันผู้สำเร็จด้วยเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งอาตทาทังเขามมุตต ออีกอย่างหนึ่งอาตาทังเขาวิมุตเป็นกามาผจรวิคัมปนาวิมุติเป็นรูปาผจรสมุติเฉทวิมุตปฏิปสัตทวิมุตินิสรณวิมุติเป็นโลกุตระอ่าวิมุตสามบาลีอวิมุติอสามบาลีวิมุตห้าอัตถกถาหมายถึงว่าวิมุตสามนั้นมาในบาลีวิมุตห้ามาในอัตถกถาหรือจะพูดอีกในหนึ่งว่า อาวิมุตตถ้ามาในลำดับแห่งนิพิตาหรือมาคู่กับวิมุตต์่าหมายถึงว่าวิมุตต์น่ะวิมุตตในบาลีนะมีสองน่ะอาวิมุตตในบาลีมีสองคือวิมุตต์ถ้ามาคู่กันน่ะวิมุตติเป็นอริยมรรคนะวิมุตติยาณทัสนะนะเป็นอริยผลแต่ถ้าหากว่า มาบทเดียวลอยๆเป็นได้ทั้งอริยมรรคอริยผลนะเป็นได้ทั้งอริยมรรคอริยผลหรือถ้าจะถามว่าวิมุติในบาลีไม่ได้นิยมชัดในขณะแห่งมรรคหรือผลเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นอันทราบไม่ได้ว่าได้แก่อริยผลข้อนี้ในธรรมวิจารณ์แสดงเงื่อนเขาให้ทราบอย่างไรบ้างหรือไม่ถ้ามีจงแสดงมาให้ดูอพอได้ใจความอันนี้เราก็ตอบว่า ในธรรมวิจารณ์นี้แสดงโดยใจความดังนี้วิมุติในบาลีจําแนกไว้เป็นสองโดยชัดเจนคือวิมุตหนึ่งวิมุตติยานัทสนะหนึ่งในสองประเภทนี้วิมุติได้ในบาลีว่าวิมุตจตินาวิราคาวิมุตจติน่าจะหมายวิมุติเป็นกิจแห่งกิจในเบื้องต้นวิมุตติยานัทสนะได้ในบาลีว่าวิมุตตัสมิงวิมุตตามีติญาณังโหติ น่าจะหมายอาวิมุตเป็นกิจแห่งปัญญาเป็นเบื้องปลายโดยในนี้วิราคะไม่ได้กล่าวถึงในที่ใดอวิมุตและวิมุตติยานัตสนะกล่าวถึงพร้อมกันในที่นั้นจะทำความเข้าใจว่าอาวิมุตได้แก่อริยมรตอวิมุตติยานัตสนะได้แก่อริยผลถ้าม า, าเฉพาะอาวิมุตบทเดียวก็เป็นได้ทั้งอริยมรตอริยผลท่านอาจจะงงนะ นักเรียนนักศึกษาอาจจะงงพูดอีกครั้งหนึ่งว่าวิมุตถามานะิถ้ามาคู่กันน ะ, ถ, ะนนนถ้ามาคู่กันอ่าหมายถึงว่าวิมุตติและวิมุตติยานัตสนาเนี่ยถ้ามาคู่กันวิมุติเป็นอริยมรรควิมุตติยานัตสนะเป็นอริยผลแต่ถ้ามาบทเดียวลอยๆเป็นได้ทั้งอริยมรรคเป็นได้ทั้งอริยผลนี่ทีนี้ถ้ายังมีคําถามว่าพูดถึงวิมุติ ทำให้หน้าฉงนถึงการจัดประเภทในอัตถกถาท่านก็จัดสมุดเฉทเทวิมุตต์แล้วชไนจึงจัดปฏิปัติสัตว์ที่มิมุตต์และนิสนาณะมิมุตต์เข้าอีกไม่เป็นการซ้ำซากหรือหรือมีอธิบายอย่างไรอันนี้เราก็แก้หรือตอบว่าการจัดวิมุตต์ในอัตถกถาถ้านึกถึงการจัดในโลกุตรธรรมที่จัดเป็นอริยมรรคอริยผลนิพพานก็เป็นสามเป็นสามประเภทไม่น่าฉงนอะไร พระโลกุตระวิมุตต์ก็ได้แก่โลกุตระธรรมนั่นเองอีกอย่างหนึง่งความหลุดพ้นจากกิเลสโดยอาการย่อมมีเป็นสามทางการตัดกิเลสให้เด็ดขาดก็เป็นความหลุดพ้นได้ทางหนึ่งการทํากิเลสให้สงบราบคาบก็เป็นความหลุดพ้นได้ทางหนึ่งอีกครั้งหนึ่งการออกไปเสียให้พ้นจากกิเลสไม่หลงหมักจมอยู่ ก็จัดเป็นความหลุดพ้นได้เหมือนกันเมื่อความหลุดพ้นมีได้เป็นสามเช่นนี้ก็ไม่น่าฉนวนว่าเป็นการส้ำสาบอะไรเพราะอาการพ้นไปต่างพ้นไปต่างๆกันหรืออีกอย่างหนึ่งเมื่อว่าโดยเหตุผลวิมุตทั้งสามาต่างเป็นเหตุผลของกันและกันสมุดเฉตสมุดเฉตเป็นเหตุของอ ปฏิปัติสัตว์ ท, ทวีมุตต์ปฏิปัติสัตว์วทมุตต์เป็นเหตุของนิสรณวิมุตต์เมื่อกล่าวโดยเหตุแล้วผลอของเหตุนั้นก็ยังเป็นเหตุต่อไปอีกอก็ควรกล่าวเสียให้สิ้นเชิงจนถึงผลที่สุดซึ่งไม่ต้องกลายเป็นเหตุอีกอเพื่อเป็นความหมดเกลี้ยกล่าวของคําพูดที่มีความฉลาดรอบคอบเจือปนอยู่ด้วยโดยเหตุนี้เมื่อจัดสมุดเฉดเทวมุตตท่านจึง จัดปฏิปัติสัธมุิและนิสสรมุิขึ้นอีกด้วยประการชนนี้นะทีนี้ถ้ายังมีคำถามว่าวิมุิความหลุดพ้นชวนให้ถามว่าอะไรหลุดพ้นอาหลุดพ้นจากอะไรอะไรเป็นผู้รู้และเมื่อจะกล่าวโดยย่อแล้วหลุดพ้นด้วยวิธีอย่างไรอันนี้ก็เราก็ตอบได้เลยว่าจิตหลุดพ้น หลุดพ้นจากอาสวะตามบาลีว่ากามาสวะปีจิตตังมิมุตจิจถะอวิชภาวาสวะปิจิตตังมิมุตจิตถะอวิชาสวะปิจิตตังมิมุตจิจถะยานเป็นผู้รู้ตามบาลีว่าวิมุตตสังมิงมิมุตตมีติยานังโหติและหลุดพ้นด้วยวิธีการบำเพ็ญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาโดยลําดับอย่างหนึ่งด้วยวิธีบำเพ็ญวิปัสสนาอย่างเดียวอย่างหนึ่งตามในแห่งมิมุติ เอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอวิมุตตความหลุดพ้นมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัส ด, ดีโดยทั่วกันขอเจริญพร